มิลินทะปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทะปัญหาปฐมวักวัะปัญหาที่สองถามภรษาและถามว่า พันษานั้นนับพระผู้เป็นเจ้าเข้าด้วยหรือหรือว่านับแต่ปีอย่างเดียวสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามวัดปัญหาสืบต่อไปว่าพันเตนาคเสนฆ่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้ากะติวัดโสพระผู้เป็นเจ้ามีวัดสาเท่าไหร่พระนาคเสนถวายพระพรว่าอัตมามีวัดสาได้เจ็ดวัดสา สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสซักว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้าคเสนวัด ส, สานับได้เจ็ดปีนั้นนับพระผู้เป็นเจ้าเข้าด้วยหรือหรือว่านับแต่ปีนั้นเจ็ดมิได้อาศัยพระผู้เป็นเจ้าในการบัดนี้กิระดังจะรู้มาว่าพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี วันนั้นทรงเครื่องปีลันธนาพรพวงดอกไม้มีพระฉายปรากฏลงไปที่อุทะกะมานิกากระออมแก้วพระนาคเสนเห็นประจักษ์แล้วจึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสิริมหัยสวรรค์พระฉายที่ปรากฏในกระออมแก้วนั้นนับเนื่องอาศัยในพระองค์ของมหาบอพิษด้วยหรือประการใด กรุงมิลินปินสา克拉 ร, ราชธานีจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตข่าแต่พระผู้เป็นเจ้าเงาที่ปรากฏในกระออมแก้วนี้ก็อาศัยเนื่องไปแต่ตัวโยมพระนาคเษนก็โน้มน้อมเป็นอุปมาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสิริมหายสวรรค์วัตสาของอัตมานี้ก็เหมือนกัน อาศัยอัตมาบรรพชามาคณานานับได้เจ็ดพระวัตรสาในการบัดนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นพิภพได้ทรงฟังก็นอบนบซองสาธุการว่าสาธุสะปัญหาเปรียบของพระผู้เป็นเจ้าเอามาเปรียบนี้ไม่ผิดฝั่งนี้วิจิตอัศจรรย์ครันวัตสปัญหาคำรบสองจบเท่านี้